เราก็นั่งปฏิัติทำกันชีวิตล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่มีการเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าโดนแสงพระทิตก็จะลายหายวับไป ชีวิตเราเหมือนฟองสบู่ฟองสบู่อยู่ไม่นานก็แตกโปะ๊ะชิ้นเราเปรียบเหมือนกับโคที่เพชฌฆาตจูงสู่หลักประหารแต่ละก้าแต่ละก้าก็ใกล้ความตายไปทุกที วินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งชิ่เราว่าใกล้ความตายไปทุกคนนะประมาทไปได้ทำที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทก็คือสติสัมชัญญะการเลืกรู้อยู่รู้ตัวตัวพร้อมรู้รอบกองสองสารเป็นตัวปัญญา เลยพระปัญญาพุท ธ, ธะอคืนกลับมารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้ตัวเราความรู้สึกตัวจึงไม่ใช่เปรียบเหมือนไก่ได้ปลอยไม่รู้จักคุณค่าของปลอยนอกอักเรียตธรรมไม่รู้จักคุณค่าของความรู้สึกตัว อันนี้ก็ประมาทเกินไปการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดฟุ้งปรุงแต่งเกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจถัจะคิด ก็คิดแบบเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นไปเพื่อคนหมู่มากยอมยินยอมยืดหยุ่นอ่อนโยนเย็นยืนหยัดชีวิตไม่ยุ่งไม่สับสนขณะต่อขณะชัดเจนจึงต้องฝึกต้องหัด จนเกิดความจำนานในการใช้กายใช้ใจใช้เกิดคุณค่าเราห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายไหลสู่ความเสื่อมการเกิดการดับร่างกายของเราจะปนเปื้อดีขนาดไหนก็ตาม ให้อาหารดีขนาดไหนก็ตามมีความเป็นอยู่ดีขนาดไหนก็ตามก็ห้ามไม่ได้จิตก็เหมือนกันเราห้ามไม่ได้การคิดการปรุงการแต่งห้ามไม่ได้แล้วแต่เขาจะเป็นไปแต่เราสามารถรู้เท่ารู้ทันได้เราวังคับจิตไม่ได้ เราสามารถรู้จักปฤติกรรมของเขาได้ความรู้สึกติฐานกายความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเป็นตัวที่หยุดยัง้งไม่ให้จิตของเราไหลไปสู่ความทุกข์อันนี้เราฝึกได้เราสามารถกลับมา ฝึกให้ตัวสตินะมีการเตือนรู้อันนี้เราฝึกได้แต่พฤติกรรมของจิตเราห้ามไม่ได้เราก็เลยมีแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ละขณะแต่ละขณะากายเคลื่อนไหวใจรู้จะรู้การเคลื่อนไหวที่มันรู้ได้ยากสาหรับ ปุถุชนคนทั่วไปก็คือจิตที่คิดนึกปรุงแต่งขณะฝึกหัดเราจะเห็นว่าประสบการณ์ที่เรามีนะการเคลื่อนการไหวเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตนะชัดเจนมากบางทีจิตก็ง่วงเหงาหานอนบางทีจิตก็เศร้าซึมเบื่อเซง มางีเจตกขี่ค้านเกียรติคานมางทีเจตกำลังเลสงสัยบางทีก็มีการมีปัจบาลแสดงออกมาพะเรามีหลักกลับมารู้สึกตัวมันก็อยู่ในแดนของความเป็นปกติพ้นทุกทันทีความปรุงแต่ง หลงเข้าไปในความคิดเกิดการปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วก็ถูกรู้เท่ารู้ทันทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวก็เกิดความเป็นปกติอย่างเงี้ยพอมาเริ่มจับประเด็นตรงนี้ได้ปั๊บวันทั้งวันจึงสนุกมากชีวิตมีกําไร การปฏิบัติธรรมเกิดพัฒนาการขึ้นมาจนเราแปลกใจตัวเองมันเปลี่ยนไปมันต่างจากสภาวะเก่าๆที่เราเคยเป็นเคยหลงนานมันก็รู้เคยไม่ปกติมันก็ปกติ ควรจะทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปความรู้สึกตัวมันาหายเปลี่ยนไปรูปแบบการสร้างจังหวะแนวหลวงปู่เทียนจิตตโพการเดินจงกรมเดินไปเดินกลับมันทำให้เปลี่ยนไปเราก็จึงเห็นคุณค่ารักงานรักการ รักรูปแบบการปฏิบัติรักสถานที่ปฏิบัติเกิดเห็นคุณเห็นค่าชีวิตก็มีคุณมีค่าตรงนี้แหละมันทำให้เราไม่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างชีวิตของเรามันมีคุณมีค่าเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้เกิดคุณเกิดค่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อารมณ์ต่างๆที่เกิดกับการปฏิบัติก็ถูกรู้ถูกเห็นเป็นการงานที่ทำแล้วไม่เกิดความเสื่อมขึ้นมาในชีวิตเป็นความสุขที่ประณีตแยกคายเป็นสุขเกษมสารที่ปรากฏ ขางในมีแต่ความตื่นตัวสดชื่นจิตใจผ่องใสเบิกบานความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งที่รู้เท่ารู้ทันกายเวทนาจิตทำเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายในกายกายเนื้อกายดุนกายก้อนอันนี้ก็ตัวหนึ่งทาสี่ ความรู้สึกเป็นกายยวิญญาณอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นความรู้สึก<ม>เห็นเวทนาในเวทนาก็เห็นอาการเจ็บการปวดตัวหนึ่งและในการเจ็บการปวดก็มีอาการเกิดดับเป็นตัวเวทนาในเวทนาเห็นจิตที่มันรู้อยู่เป็นปกติอยู่อันนี้ก็เวทนาในเวทนาเห็นจิตสุขจิตทุก เราเห็นจิตปกติเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราหรือเขามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ใครมันเป็นแค่ธรรมชาติเป็นอาการของกายของจิตเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอาการของจิตก็คือคิดเก่งความคิดก็เป็นอดีตเป็นอนาคต ส่นใหญ่ก็จะคิดแล้วเกิดการตีความเกิดความเปรียบเทียบหรือเราเกิดการตัดเพ้อต่อว่าบนพร่าบนนะเป็นอาการของจิตจิตปกติก็มีอยู่นะเดิมแท้ทดียวพัดสอนป่องใสจิตในจิตนะจิตเดิมแท้เป็นปกติ จิตที่ปรุงแต่งมันจิตที่เป็นอาการมีอาการรับใช้หลงเผลอลืมเนื้อลืมตัวเราก็แก้เกมตรงนี้แหละมันเผลอคิดเราก็กลับมาสัมผัสรู้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนให้เก่งให้จำนานให้เห็นจนกระทั่งมันง่ายตัูกายของยาก็ง่าย ดูจิตจมเป็นอาการละเอียดก็เป็นของง่ายตรงนี้สติก็จะเด่นออกหน้าออกตาความเป็นอัตโนมัติความเป็นเองก็ปรากฏไม่ต้องร้องขอประมันเลือกได้จิตปกติกับจิตผิดปกติจิตสุขจิตทุกข์กับจิตไม่ทุกข์ ได้สัมผัสจริงๆกับนักปฏิบัติที่สนใจไม่ปล่อยไปล้ำเวลาให้ล่วงไปอย่างเปล่าประโยชน์ก็จะตื่นตาตื่นใจประหลาดใจแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทำไมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คำตอบก็คือมันเป็นสัจจความจริงสัจธรรมที่ มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไปไหนใครทาก็เป็นของคนนั้นไม่อยากรู้ก็รู้ไม่อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเป็นก็เป็นเป็นความเป็นเองก็ททำถูกเห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันก็จะเห็นขณะปฏิบัติตันที ปฏิบัติก็คือกลับมาหาตัวกาตัวใจตัวรูปนามขันธ์ห้านะี่ทันทีจะเห็นธรรมชาติของตาของหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยเป็นทวารภาสุภาทุกข์ขนส่งทำให้เราเกิดภาละพลงพลังภาลาวเวปัญจขันธ า, นาแล้วก็แบกของหนัก หลงก็ไปยึดว่ากันห้าคือตัวเราวัตถุหนึ่งสามคนหนึ่งสองสาสัตว์สิ่งเป็นของเราเราอยู่กับโลกโลกคือของเรานินทา ก, ก็ว่าเราสันเซินก็คืสารเสรินเรามีสุขกับเราสุขมีทุกข์กับเราทุก เราลักเราชังเราโลภเรากวดเราหลงเราอิจฉาลิษยาลวนแล้วแต่เจอลูกสมุนของนางพยามานังนั้นหลอ่อหลวงหลอกจนเราไปติดกับดักสมัยองค์สมเด็จสัมมาสุนทเจ้าเจ้าชัยสอตะค้นหาแสวงหามรรคธรรมสองพัน ป, ปีก็ได้เห็นนางกิเลส นางตันหานางอารตีได้เห็นนางราคาตันหาอารตีได้เห็นไม่ได้วันไหวอะไรนางราคาคือไปให้ราคาให้ราคาเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจกับรูปรสกิ่งเสียงต่างๆเป็นราคา ปรารถนาในความใกล้แล้วใกล้ไม่ถูกมีความใกล้แต่ใกล้ไม่ถูกแต่ใกล้ในสัมผัสไม่ถูกรูปรสกลิ่นเสียงนี่ไม่ถูกแต่ว่าถ้าใกล้ในธรรมนี่เป็นผู้เจริญธรร ม, มากามโมปรวังโหหิใกล้ในธรรมต้องการไปทำอันนี้เป็นผู้เจริญไม่ใช่ผู้เสื่อม นางตัญหาทะยานอยากมีแต่ความทะยานอยากอยากจะเข้าไปผลักใสไล่ส่งกูไม่ชอบอยากจะไปกอดลัดกวัดเวี่ยงมาเป็นของกูกูชอบมีต่ผักใสมีแต่ขวยกว่ากูชอบกูไม่ชอบก็กูทุกข์นั่นแหละแต่เราไม่เคยเห็นแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วเราได้เห็น ได้สัมผัสมันเกิดที่เราเราจาให้ราคาบางทีก็ให้ราคาก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์บางทีก็ให้ราค า, า, า, า, า, า, า, า, คาไม่ใช่อาจารย์กูชอบกูไม่ชอบจริงๆก็เป็นอย่างที่เขาเป็นงงเขาดีอย่างเงี้ย ไปให้คุณข้าว่าเขาดีอยู่มาวันนึงก็ บ, บอกเขาไม่ดีล้วแล้วแต่สมมุติบัญญัติที่เราตั้งขึ้นชงเรื่องขึ้นมาทางนั้นปรุงแต่งนางตันหานางอรารตีอรารตีก็หมายถึงไม่อยากให้ดีอารดีไม่อยากให้ดี ก, ดก็คืออิจาริษยา มีความอิจฉาลิษยาไม่อยากให้ได้ดีเห็นดีไม่ได้เป็นขัดหูขัดตาขัดแย้งพระองค์ก็ทรงเห็นลูกสาววยยมาณสามคนก็มีสมาธิตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นมาคือเปรียบเหมือนกับพระแม่ธรณนะีบีบมวยผมจนตั้งน้ำไหลทลักลงมา เพมทนโลกสาวยาอมันจนทนอยู่ไม่ได้ก็เปรียบเหมือนว่าพระองค์ทรงนั่งจนกระทั่งมีพระไทยแน่วแน่มีน้ำพระไทยแน่วแน่ตั้งมันที่จะมันเป็นเพียนจนกทั่งเกิดการบรรุธรรมขึ้นมา เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนท้ายสุดก็ไปเจอกับพญามารตัวจริงซึ่งเหมือนพระองค์มากพญามารตัวนี้คือใครทาไมเหมือนพระองค์เวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็เห็นความคิดนี่เหมือนเราที่สุด เราคือความคิดความคิดคือเราเราเชื่อความคิดมากมีความเชื่อความคิดมากเท่าที่จะมากได้เพราะว่ามันหลายภพหลายชาติที่มันครอบงําและมีอิทธิพลคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วก็ไปอดีตเป็นสุขเป็นทุกข์คิดแล้วไปในอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์ คิดเป็นปัจจุบันก็วิภาวิจารณ์เปรียบเทียบเหตุผลคิดแล้วก็ชอบคิดแล้วก็ไม่ชอบตาดูก็คิดต่อหูฟังก็คิดต่อสัมผัสก็คิดต่อลิ้นกระทบ้วก็คิดต่อจมูกได้กลิ่นกระทียคิดต่อในความคิดก็มีอดีตอนาคตเป็นสัญญากลาย้ำคิดย้ำทำหมกมุ่น เกิดจริตนิสัยขึ้นมามันเหมือนเราที่สุดความคิดโกรธกายเราก็โกรธด้วยตัวเราก็โกรธสั่นสะท้านทั้งตัวหายใจไม่ตั่วท้องเวลาลักเวลาชังเหมือนกันไม่เกี่ยวาชาติศาสนาไหนไม่เกี่ยวกับอยู่ชนชาติไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันทุกคนจะบวชปลบวชชีจะเป็นญาติโยม เหมือนกันทุกคนแต่พอเราออกจากความคิดมาเห็นความคิดความคิดไม่ใช่เราตรงนี้แหละเกิดการแจ้งประจักษ์ขึ้นมาหลวงปู่เรียนยังบอกว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นอาการของกายของใจเห็นอาการของรูปของนาม เห็นโรครูปเห็นโรคน้ำโรคของกายจะทำอะไรก็ทำจะเข้าโรงพยาบาลจะรักษาตามคำวิธีที่เราเชื่อหรือบางคนมันก็รักษายัางไงก็ไม่หายไปบนบานศาลเก่าเจ้าที่เจ้าทางเส้นสวงจนตรอกจริงๆ ก็ให้ทำอะไรก็ทำไปหมดแล้วเรียกว่างงหลงงมงายชีวิตก็จะไร้สาระขาดที่พึ่งต้นไม้บ้างภูเขาบ้างลูกกระเจี๊ยดีบ้างยึดเป็นที่พึ่งไม่เคยพึ่งความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวแต่บัดนี้เราได้ฝึกเ เราเห็นกายของเราก็เข้มแข็งขึ้นมาอินทรีย์แกล่ากล้าขึ้นมาเคยนั่งไม่ทนมันก็ทนขึ้นมาเกิดตะบะเกิดขันติเคยเดินไม่ทนมันก็ทนขึ้นมาเกิดตาบะเกิดขันติขันติประมังตะโปตีติขาขันติเป็นความหมดกานเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราก็เห็นพัฒนาการของเขาดีวันดีคืนขึ้ น, นมาเข้มแข็ง เดวยว่าการเดินจงกรมเนี่ยอาภาษน้อยมันมีอา น, นิสงส์เลยเดินานานๆเ น, น, น, นี่ยอาภาษน้อยเปย็นโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้ป่วยก็เหมือนไม่ป่วยถึงมีโรคมันก็พออยู่กันได้ไม่แสดงออกตรงนี้แหละอินทรีย์จะแกล่ก้าขึ้นมากายจะอินทรีย์ เห็นโรคทุกเห็นนามทุกโรคที่เป็นทุกเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่จิตใจเป็นนามทุกความทุกขก์เกิดที่จิตที่ใจของเราทุกครั้งที่เผลอหลงเข้าไปในความคิดโกรธคิดโลอคิดลักคิดชังคิดอิจาริษยา มันเป็นโลกของจิตเป็นอาการของจิตที่เป็นโลก <Okay. S 1> เราก็รักษาโดยความรู้สึกตัวเยียวยาโดยใช้ปัญญาทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นตัวสมัญญามเป็นปัญญาโลกกายใช้ยาโลกจิตใช้ปัญญาปัญญามันเห็นตามความเป็นจริง <Okay. S 1> ว่าความคิดไม่ใช่เราความคิดเป็นอาการของจิต มันก็ได้คำตอบเห็นบุญเห็นบาปคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปมโนกรรมเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งในความเป็นจริงจริงเห็นแล้วไม่เห็นเฉย มันจะพาเราก้าวล่วงนะยกระดับจิตนะพบภูมิของจิตขึ้นสู่นะวิปัสสนาภูมิที่ละเอียดขึ้นไปนะเห็นของหยาเห็นของกลางเห็นของละเอียดนะพระรา้าในยามหนึ่งยามหนึ่งเนี่ยสเร็จมีสตนะิเกิดสติปัฏฐานขึ้นมามีความคมชัดนะเกิดยานของปัญญาขึ้นมา ภิปภูมิปภูิปาูเกิดขึ้นมิเห็นตัวเมงเเปุปเมิปภูมิปภูมิปภูมิปุูมิปภูมิปภูปภูมิปภูมิปภูมิปภูมิกูมิป เ, เกิดเป็นอะไรมิ่งก็ิปภูมิปภนมิปภมือนูราปภิบัูมิปภูมนีภูมิปภรมิปภูมิปภูมิปภูมิ ก, กิิมิมิปภูมิิปิมิมม เห็นความดีในตัวเองและผู้อื่นเกิดขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บุญเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่เกิดอารมณ์บุญเราก็ไม่เผลอเข้าไปในอารมณ์บุญเห็นอยู่รู้อยู่ชัดเกิดขึ้นมามเกิดจูตูปัิญยานเกิดขึ้นมาอานี้ลักษณะนี้เห็นแล้ว ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาจิตใจของเรามีอาการเกิดดับเราเคยโลภเคยโกรธเคยหลงเกิดจากความคิดเป็นภพเป็นภูมิที่แน่ๆคือความโกรธเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกเคยโลภเนี่ยเคยเป็นเปรต เคยมีความรักเกิดขึ้นมาอย่างมากรักลูกห่วงลูกตั้งชื่อวลาหุนเลยรู้ว่าโอหัวอกของแม่ของพ่อนี่มันเป็นเปรตตกนรกขุมใหญ่ปุตรตามหานรกเป็นมหานรกขุมใหญ่มีบุตรมีธิดามีลูกเป็นห่วงเห็นพบเห็นภูม จูตู ป, ปัตยานเคยเกิดเป็นลักษณะของโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรมาพระเวสสันดรเคยเป็นพระมหาชนกเคยเป็นอะไรอีกมากมายอันนี้เป็นลักษณะของปุกรลาธิฐานแต่ทรมาธิสานี่คือเกิดที่เรา ลักษณะขององค์ความเพลี่ยนมหาชนกก็หมายถึงว่าขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า้สิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นฟังเลยไม่รู้ว่ารู้สึกตัวไปเมื่อไหร่มันถึงจะเจอสภาวะธรรมอย่างที่ครูบาอาจารย์เป็นหรือคนก็พูดกันในตำรับตำราไม่รู้เลย มันมืดแปดด้านจริงๆรู้ว่าทำไปทำไมรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ก็ท้อแท้เบื่อต้อง่าตั้งใจปฏิบัติก็เปรียบเหมือนมหาชนกอไว้เข้าฝั่งไม่เห็นฝั่งจนกว่าจิตของเราจะถูกยกขึ้นมานลวงโป่งเบากายโลตาจิตตาโลตาก็เปรียบเหมือนนางเมกะลาอุ้มขึ้นไปจะมีนางเมกะลาเหาะลงมาช่วย เราจะเห็นว่าหลังความง่วงมีความไม่ง่วงหลังจากที่เราทนทําอย่างต่อเนื่องเลยความง่วงมันโล่งโปร่งเบาสบายความปวดเปลี่ยนเป็นไม่ปวดไม่เมื่อยนหลังจากที่เดินใช้ความอดทนเพียรทำบางทีมันก็หลุดในช่องหนึ่งว่างโล่งเบาหวิวขึ้นมาทันทีพลิกเลย เราก็ได้สัมผัสโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเห็นตัวเองชัดเลยจนยิ้มเลยละ่ะทุกครั้งที่สภาวะการเดินทางจิตมันกระแทกซ้ายกระแทกขวาบวกบวกล บ, ลบมันก็ปรับตัวเองมาสู่สมดุลเป็นปกติเดินทางต่อไปไม่ต้องเสียวเวลานะเกิดการรัดสั้นในการปฏิบัติขึ้นมา อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเกิดที่พระเจ้าเกิดที่ครูบาอาจารย์หรือที่เราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันคือสัจจความจริงที่เราจะต้องได้รู้ได้เห็นเป็นอารมณ์ปฏิบัติยิง่งยิ่งขึ้นไปเห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นรูปทุกเห็นนามทุก เห็นรูปสมมติเห็นนามสมมตนะิเห็นสมมติมีอยู่เต็มโลกทั้งเลยอะไรมันก็คือสมมุติทั้งหมดของมนุษย์นะในโลกใบนี้ที่สมมุติแตกต่างกันไปตามความหลงตามความรูนะ้เห็นสมมุติบัญญัติเห็นอริยบัญญัตินะมันมีสมมติบัญญัติแบบโลกโลกียะโลกใบนี้ก็สมมติ บางทีดีก็เป็นไม่ดีบาที่ไม่ดีก็เป็นดีขึ้นมามีกรอบมีกฎเห็นอริยะสมมุติอริยะบัญญัติอ๋ออริยะก็แปลว่าศัตรูยะก็แปลว่าความห่างไกลห่างไกลจากศัตรูจากหยาไปหาละเอียดไกลจากศัตรูตัวหยาบ คือความโลภความโกรธความหลงใครจากศัตรนะูที่เป็นอารมณ์ระดับกลางๆความหงงเหงาหานอนนิวรธรรมต่างๆเราก็ได้สัมผัสได้ผ่านากระทั่งจิตเกิดการเตือนรูนะ้เกิดการตื่นรู้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนไต่ขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไป ความทุกข์มันก็เบาบางลงความหนักภาระต่างๆในชีวิตก็เบาบางลงมันก็เลยไม่เป็นหมันชีวิตไม่เป็นโมฆะมันเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเป็นชีวิตที่เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เป็นชีวิตที่ไม่ไหลสู่ความเสื่อม อีกต่อไปมันมีแต่ใจที่เป็นปกติ ม, มีแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามแสดงออกมาตลอดเว ล, เวลาจะรู้ตอนไหนก็ได้เป็นปัจจตังเป็นอากาลิโก ร, รู้ได้โดยตัวเองหันกลับมาดูที่ตัวเองก็เห็นทันทีความรู้สึกตัว ในการนั่งการเดินการยืนการนอนในการทําหน้าที่การพูดในการนิ่งจะทําอะไรก็ตามเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวเราก็จึงเฝ้าดูเห็นเห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมันเป็นปัญญาญานไปแล้วขนส่งจากความวุ่นวายไปสู่ความไม่วุ่นวาย จากความสับสนมาสู่ความไม่สับสนจากความโกรธมาสู่ความไม่โกรธจากความทุกข์มาสู่ความไม่ทุกข์จากความไม่ปกติมาสู่ความเป็นปกติทุกครั้งที่รู้เท่ารู้ดันทําได้ทุกคนท้ายสุดท้ายสุดเนี่ยองค์สมเด็จสมาเจ้า ในท้ายสุดก็เห็นตัวเองก็หมายถึงว่าเห็นตัวละเอียดตัวละเอียดที่สุดอาสวัคย า, ยานสวะสวะก็คือกิเลสที่ละเอียดตัวไม่รู้ตัวอวิชชาตัวหลงหลงก็ไปยึดนะตัวตัณหาตัวอุปทานได้เห็น เห็นว่าความคิดนะมันเหมือนเราที่สุดเราเป็นความคิดที่ประณีตละเอียดยึดติดในความรู้ต่างๆก็ตัดจากความรู้ต่างๆไม่ติดรู้อีกต่อไปเพราะการยึดอุทานแม้เล็กน้อยในความรู้นะที่เรารู้อะไรนะมันให้เกิดการยึดนะ เหนียวแน่นความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ไทยสุขลรื ป, ปล่อยเปิดเผยตัวเองไม่ยึดติดมีปัญญาก็เกี่ยวข้องใช้ด้วยปัญญาขณนะต่อขณะแต่ก็ไม่ยึดตรงนี้ก็เลยเป็นอิสระภาพเกิดขึ้นมาผลจากกิเลสทั้งปวง มันเกิดขึ้นในวันเป็นเดือนหกขึ้นสิบ้าค่ำยามสามปีละกาวันพุธเมื่อสองพันหร้อปีที่ผ่านมาบัดนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่จิตทิพนชากกิเลสมันตินเครื่องเศร้าหมองเป็นสภาวะของจิตเดิมแท้ที่เราเข้าถึงมันเป็นจิต ท, ที่ใสสว่าง วางจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเหตุปัจจัยจะทำอะไรเราไม่ได้อยู่เหนือเหตุเหนือปัจจัยทั้งปวงมันมีจริงๆนะสิ่งเนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นความประพฤติดีของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนมัน่นเธอน